เสนอธรรมนิยายบทประพันธ์ของวสิณอินทศรา เ, เรื่องผู้สละโลกเรื่องผู้สละโลกนี้เป็นประวัติของระสาวกบางท่านซึ่งแต่ละความสุขอย่างโลกโลก มาสแสวงหาความสุขทางธรรมและท่านก็ได้พบความสุขนั้นสมใจหมายอันที่จริงท่านเหล่านั้นมีพระสารีบุตรเป็นต้นพิจารณาตามประวัติแล้วมีโอกาสเป็นอันมากในการที่จะเสวยความสุขทางโลกอย่างที่ชาวโลกมุ่งมองปักใจฝ่ายฝันและสแสวงหาอย่างชนิดที่เรียกว่าทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตแต่ว่าท่านเหล่านั้นกลับละละทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดี ไปมีชีวิตอยู่อย่างง่ายง่ายไม่มีความวุ่นวายกังวลใจบางท่านเป็นถึงพระราชาคลองแคว้นเช่นพระมหากััปินะเมื่อท่านได้ตัดสินพระไทยสละโลกมาอยู่ภายใต้ร่มธงแห่งธรรมแล้วทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอเสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอทางนี้เพราะความสุขทางธรรมนั้นสุขอันเกิดจากความสงัดจา ก, กามสงัดจากอากุศลนั้น เป็นความสุขที่ประณีตชุ่มเย็นในดวงจิตเหนือความสุขทางโลกียรมณ์อันเจือด้วยความประหายเล่าร้อนกระวนกระวายและเป็นทุกข์อยู่เนืองเนืองในศาสนานี้ขั้นผู้สละโลกเพื่อโลกเป็นพระองค์แรกก็คือุรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นว่าการหมกมุ่นอยู่ในโลกนั้นเป็นการยากที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ เหมือนคนไข้รักษาคนไข้ด้วยกันจะทำได้สัทธาใดแต่เมื่อจิตใจที่พ้นจากโลกแล้วการหลังประโยชน์แก่โลกย่อมทำได้เต็มที่และมีผลยั่งยืนแก่โลกนั้นคำว่าโลกที่กำลังพูดถึงอยู่นี้มีได้หมายถึงโอกาสโลกแต่หมายถึงกามโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสอัญวยวนใจ เป็นบ่วงบาดคล้องใจสัตว์ให้ชมอยู่หมกมุ่นพัวพันรุ่มหลงอยู่ในกามโลกนั้นบางทีพระพุทธองค์ทรงเรียกสิ่งนี้ว่าตะปูตึงใจเจโตขีระ นอกจากสิ่งเร้าภายนอกคือกามาคุณห้าดังกล่าวแล้วยังมีแรงกระตุ้นภายในคือกิเลสเช่นความกำหนัดเพราะความโนบิตถึงสังกัปปะราคะความปักใจฝ่ายฝันไข่ได้ใข่เป็นชุ่มอยู่ในดวงจิตเหมือนเชื้อเพลิงอย่างดีชุ่มอยู่ด้วยน้ำมันพอไฟคือสิ่งเร้าภายนอกมากระทบเท่านั้นก็พลันลุกไหมเผาทน้ามันและเชื้อเพลิงนั้น ด้วยเหตุนี้แหละพระองค์ผู้ทรงสละโลกเป็นปฐมจึงตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและความนึกคิดอันเจือด้วยกามนั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นและร้อนเพราะเพลิงทุกขมีความเกิดเป็นอาทิการได้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้บ้างก็เป็นความดีเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิต เพราะเมื่อชีวิตประสบความเราร้อนขึ้นมาใดจะได้รู้สึกตัวและมองเข้ามาในตนว่าบัดนี้เราถูกเพลิงกิเลสเผาเอาแล้วแทนการโวยวายป้ายโทษให้แก่ผู้อื่นด้วยส่วนเดียวมิได้แลเหลียวถึงกิเลสในใจตนบ้างเลยถ้าไม่มีกิเลสต่างๆอันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอยู่แล้วอารมณ์ต่างๆภายนอกที่ได้ประสบซึ่งโดยปกติทาให้เราร้อนนั้นก็ไร้ความหมายไปเอง เหมือนเอาคบเพลิงแย่ลงไปในแม่น้ำตราบใดที่ยังมีกามราคะตราบนั้นก็ยังต้องมีเกิดอีกในกามบโลกอันเกลื่อนกลนไปได้สุกเล็กน้อยและทุกขอันหนักหน่วงยืดเยื้อยาวนานมากมายต้องชอกช้ำขมขื่นเมื่อจำต้องดื่มอารมณ์อันแสลงใจมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านซึ่งตนเองทำให้เกิดขึ้นบ้างคนอื่นทาให้เกิดขึ้นบ้าง ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทุกภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีความเกิดเป็นมูลฐาน ความสุขอันใดที่โลกจิตยืนให้นอกจากเจเล็กน้อยแล้วยังเจืออยู่ด้ทุกข์มีทุกแอบแฝงซ่อนเร้นเข้ามาเหมือนเหยื่อที่ในพรานเบ็ดเกี่ยวเอาไว้เพื่อความพินาศวอดวายของหมู่ปลารูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสอันยวยวนใจนั่นแหละที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าโลกามิตรเหยื่อของโลก ผู้ไม่กำหนดพรูโทษของเหยื่อเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างตะกรตะกลามลุ่มหลงผูกพันย่อมถูกเบิดพึ่งความทุกข์เกี่ยวเอาจนไม่อาจติ้นรนให้หลุดเพื่ออิสราภาพของตนได้ต่อแต่นั้นก็ยังลงสู่ทุกข์ทุกขโขติ น, นามีทุกข์ดักอยู่เบื้องหน้าดุขะเปรตตาแล้วจะคลั่าครวนอยู่ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นทุกข์นี้ได้ ผู้สละโลกคือท่านผู้สละเหยื่อของโลกไม่ติดเหยื่อของโลกเป็นผู้อนโลกจะครอบงำย่ายีไม่ได้ย่อมเที่ยวไปได้ในโลกอย่างเสรีเหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วงของผานภัยซึ่งแม้ว่าบางคราวจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยบ่วงนอนทับกองบ่วงอยู่แต่บ่วงก็หาทำอันตรายแต่ประการใดไม่ดังประพุทธวจนะอันทราบซึ่งตึ่ใจที่ว่าภิกษุทั้งหลาย เนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้วนอนทับบ่วงอยู่ย่อมถึงความเสื่อมความพินาศหนีไปไม่ได้ตามปรารถนาถูกพรานเลือกระทำเอาได้ตามต้องการฉันใดสมณพราหม์พวกใดพวกหนึ่งที่ยังใฝ่ฝันรุ่มหลงติดพันและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมาคุณห้าโดยไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณพราหม์พวกนั้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศ ถูกมารใจบาปกระทาเอาได้ตามต้องการฉะ น, นั้นส่วนสมณพราหม์พวกใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝันไม่หลุ่มหลงไม่ติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลักตนออกสมณพราหม์พวกนั้นย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทาเอาได้ตามต้องการเหมือนเนื้อป่าไม่ติดบวง แม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่ก็ยอมไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความผีนาดเมื่อในพรานเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกพรานทำเอาได้ตามต้องการ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยคนนักที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายของในพลาแล้วน้อยตัวนักที่จะพ้นไปได้โลกิะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืดเป็นผู้บอดเพราะไม่มีปัญญาจากสุขเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นผู้ใจบอดไม่อาจมองเห็นสัจธรรมแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสําหรับเห็นรูปร่างรูปร่างอันยั่วยวนให้หลงไหลหรือให้หลงรักหลงชังแล้วดิ่งลงไปในนรกคนไปสวรรค์เหมือนเขาโคส่วนคนไปนรกเหมือนขนโคทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครพ้นได้ ความตายของผูุ้ชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติตกนรกบางชาติไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดดิรชานบางชาติเป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่ว่ากรรมจะนำพาไปน่าหวาดเสดุงน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดดิรชานเช่นสุนทรเป็นต้นช่างน่ากลัวสนิดไรแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่ากลัวอยู่นั่นเอง เพราะว่ามนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้เราร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกไปจากโลกเป็นโลกุตระโชนนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราดเพราะในมองเห็นโดยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่น สิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก็ให้เกิดทุกเสียทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกข์ที่กระนำอยู่ทุกเวลามิได้เวน้นโลกมีความสุดโทมแวดล้อมอยู่ในทุกรอบด้านมีปัญหามากพล่องอยู่เป็นนิดมีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขยอยู่เสมอ เจ้าหวังว่าเรื่องผู้สละโลกนี้จะเป็นกัลยาณมิตรของผู้ที่ต้องการสละโลกแม้จะยังสละไม่ได้ก็ตามและแม้ท่านผู้ยังต้องการอยู่ในโลกอย่างไม่เป็นทาสของโลกหรืออยู่อย่างมีทุกข์น้อยที่สุดบุญกุศลใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าบ้างในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยกําลังกายกําลังใจและกําลังศรัทธา ขอบุญกุศลนั้นพึงเป็นเพื่อนใจอย่างลงเป็นอุปนิสัยบา ร, รมีคอยกระตุ้นเตือนชักนำให้ข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังทุกท่านและทุกท่านผู้มีส่วนเผยแผ่ธรรมะในส่วนนี้ให้ได้เป็นผู้มองเห็นโทษและเห็นภัยในโลกไม่ติดในโลกไม่หลงในภพมีปัญญาในการสลัดตนออกมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ดำรงตนอยู่อย่างอิสระได้รับความสงบเย็นเต็มที่ในธรรมที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศดีแล้วด้วยเถิดจากวาสิณอินทศรั